เวลาจะออกเรือนี้ต้องถอนสมอถ้าไม่ถอนสมองนี้เรือจะไปไม่ได้ถ้ายังมีความผูกพันอยู่กับเรื่องทรัพสมบัติข้าวของเงินทองอยังพึ่งพาทรัพสมบัติข้าวของเงินทองในการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายอยู่ ก็จะไม่สามารถไปปรีกวิเวกไปบำเพ็ญไปรักษาศีลของนักบวชได้คือรักษาศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดนี่เป็นศีลของนักบวชแล้วก็จะได้มีรั้วกั้นจิตไม่ให้ทะเลท ล, ลายออกไปทางตาหูจมกูกเล่นกาย ออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแล้วก็อาศัยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องดึงใจให้เข้าข้างในเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เป็นการดึงใจให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะไม่ให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไม่ให้ไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญ ไม่ให้ไปคิดถึงบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ถ้ามีสติกำลังมากพอก็จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้เหตุที่ไม่สามารถทาให้ใจสงบก็เพราะว่าสติยังมีกำลังสู้กิเลสตัณหาไม่ได้ตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี่คอยผลักดันใจ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 เพราะว่าการกระทาเหล่านี้เป็นการกระทาที่ให้ความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองพอไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระก็จางหายไปเหมือนควันไฟผู้ที่ต้องการที่จะหาความสุขจากความสงบของใจจึงต้อง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 เพื่อที่จะไม่ให้ไปรู้กับความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าอยู่กับพุโทโธพุธโทโธใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงราบยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดพะได้หรือถ้าจะอยู่กับร่างกายที่เรียกว่ากายกตาสติก็ให้จดจอ่อเฝ้าดูในทุกอิเรยาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกาย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 ร่างกายนี้มีส่วนที่สวยอยู่เพียงนิดเดียวส่วนที่อยู่ที่ผิวหนังนี้เท่านั้นแล้วก็สวยไม่นานผิวหนังนี้ต่อไปก็ต้องเหี่ยวยน่นผมก็จะขาวจะหมอกแล้วถ้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นส่วนต่างๆที่ไม่ได้ดูด้ า, าชมเห็นอวัยวะน้อยใหญ่เห็นน้ำต่างๆ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 ร่างกายแห้งกรอบไปหนังหุ้มกระดูกหุ้มอวัยวะที่แห้งกรอบแล้วถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะเปื่อยจะกลายเป็นดินไปนี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้รู้แจ้งเห็นจริงสภ า, าวธรรมที่เราหลงยึดติดก็คือร่างกาย เราจะคิดว่าเป็นร่างเป็นตัวเราของเราเราจะดูร่างกายของคนอื่นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสัตว์เป็นบุคคลอันนี้เป็นสมมติไม่ใช่เป็นความจริงชื่อเสียงเรียงนามที่เราตั้งกันขึ้นมาก็เป็นสมมติเราจึงเปลี่ยนชื่อกันได้เปลี่ยนจากนายกรมาเป็นนายขอได้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 ส่วนที่สวยที่งามไปดูที่ผมไปดูที่ผิวหนังไปดูที่รูปร่างหน้าตาก็เลยเกิดการอารมณ์ขึ้นมาพอเกิดการอารมณ์ก็ต้องเสพการพอเสพแล้วก็ติดจะต้องเสพไปเรื่อยเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกเวลาคนที่เราเสพการด้วยตายจากเราไป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 มาตัญหาได้การมาราคาได้พอไม่มีการมาราคาแล้วใจก็สงบเย็นสบายไม่มีอะไรมาขย่าวใจให้วุ่นวายให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจนี่คือเรื่องของการพิจารณาร่างกายที่เป็นด่านแรกของการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริง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 พอเขาลงกระดาษทรายแล้วเขาจะไม่ใช้กบเพราะกบนี้มันเป็นเครื่องมือที่อยาบมันจะทำให้ไม้เสียหายได้พอใช้ใช้กระดาษทรายแล้วก็ถึงเวลาที่จะทาสีต่อไปอยัในใดการบำเพ็ญทานก็เหมือนกันถ้ายังอยู่ในขั้นทานก็ทำไปเลยในงานต่างๆ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 รู้สึกที่ไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นก็จะสามารถรักษาศีลห้าได้พอรักษาศี่ห้าได้ต่อไปก็จะรักษาศีลแปดได้พอรักษาศีลแปดได้ก็อยากจะไปเปรีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเพื่อจะได้เจริญสติเพื่อจะได้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบถ้าไปปรีกวิเวกไปอยู่คนเดียวแล้ว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 ต้องไม่ไปทาภารกิจอย่างอื่นทาภารกิจอย่างเดียวก็คือการเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิแล้วเมื่อได้สมาธิแล้วก็ให้ออกทางปัญญาต่อไปนี่คือวิธีบาเพ็ญของพระพุทธเจ้าสมัยที่ทรงออกบาเพ็ญ น, นี้พระองค์ไม่เคยไปงานกระถินงานภาพป่า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 ถ้าจิตหยาบจิตจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้พระองค์ตลอดระยะเวลาหปีนี้ไม่ยุ่งกับใครเลยพยายามบำเพ็ญอย่างเดียวจนได้ตัดสรุเป็นพระอาหารหันตสามมาสามพุทธเจ้าหลังจากนั้นจึงมาโปรดญาติโยมที่ยังมืดบอดอยู่ที่ยังไม่รู้จากทางไปสู่พระนิพพาน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 หลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้วอายุสามสิบห้าก็สั่งสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทุกวันเป็นพุทธกิจพุทธกิจมีห้าประการด้วยกันคือหนึ่งอบรมสั่งสอนญาติโยมในตอนบ่ายสองอบรมสั่งสอนพระเนนในยามคำ่ำสาอบรมสั่งสอนเทวดาในยามดึก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 ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันเป็นจำนวนมากพระอาหารหันตสาวกทั้งหลา ย, เ, ยเกิดจากพระพุทธเจ้าคำว่าสาวกก็แปลว่าผู้ฟังอหาหัน์ก็แปลว่าผู้สิ้นกิเลสการจะสิ้นกิเลสได้ต้องเป็นผู้ฟังเพราะว่าตามลำพังแล้วจะไม่สามารถสอนตนเองได้เพราะไม่มีปัญญาบารามีแก่กล้าพอ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 วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังสร้างพบสร้างชาติหรือเรากำลังตัดพบตัดชาติถ้าเรายังแสวงหาราบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่นี่แสดงว่าเรายังกำลังสร้างพบสร้างชาติอยู่ถ้าเราตัดพบตัดชาติเราก็ต้อง บำเพ็ญทานศีลภาวนานี่คือสิ่งที่เราจะต้องคอยสำรวจคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปหลงกับความสุขชั่วปายลิ้นด้วยความสุขแบบควันไฟความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นเหมือนควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปแล้วตามมาด้วยความอยากด้วยความทุกข์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 ก็ปรากฏมีพระอ า, ารามตสาคกขึ้นมาเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วด้วยเช่นตอนที่ทรงแสดงธรรมขั้งแรกนี้เป็นวันขึ้นสิบห้า่ำเดือนแปดที่เรียกว่าวันอาสาหาบูชาแล้วต่อมาในวันเพ่นขึ้นสิบห้า่ำเดือนสามก็ เ, เป็นระยะเวลาเจ็ดเดือนนับจากเดือนแปดไป ก็ปรากฏมีพระอาลันตสาวกอย่างน้อยก็หนึ่งันสองรอห้าสิบูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดมายหกันนี่คือความอัศจรรย์ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถทำให้ผู้ที่ไม่หลุดพ้นนี้ได้หลุดพ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเจ็ดเดือนนี้บรรลุ อย่างน้อยก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบูปแต่ก่อนหน้านั้นนี่เป็นเวลาพันปีหมื่นปีแสนปีไม่มีใครบรรลุปเป็นพระอาหารหันตสาวกได้เลยเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรูวแล้วมาแสดงธรรมมาเผยแผ่ธรรมให้แก่สัตว์โลกนั่นเองพวกเราจึงควรที่จะเห็นคุณค่าเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าที่อุตส่าห์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 เลิกสร้างความสุขทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสกันดีกว่ามาสร้างความสงบที่เกิดจากการบําเพ็ญทานศีลภาวนานี่ดีกว่าเพราะผลที่ได้รับนี้เป็นผลที่อันเลิศอันประเสริฐเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและเป็นความสุขที่จีรังถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์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 ยะถาวะริวะหาปุราริโรเรนติสักหังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิช an ิตังปฏิตังต um ุมหังคิดเเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนาระโสยะถามณีโชติ ภราสุยธาสัพภิติโยวิวัจจันตุสัพปรกโควินัสัตุมเติภวะตะวันตรายุสุขีทิขายุโกภวะอภิวาทานสิริตสะนิจจังวุฒาปัจจายโนยัตารุธรมมวะทาฏฐิอายุวันโอสุขังภลา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 พิธีกรจะถามปัญหาทางบ้านคำถามแรกจากผู้ฝากถามค่ะขอกราบเรียนถามว่าทำไมอริยสัจสี่ท่านถึงเรียงผลก่อนเหตุเช่นทุกข์ก่อนสมุทยัยและนิโรธก่อนมรรคคะและเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติอย่างไรออมันก็ต้องเริ่มตรงไหนสักแห่งนะ ไม่เริ่มที่ผลก็ต้องเริ่มที่เหตุมันก็มีแค่นั้นส่วนใหญ่ที่เริ่มที่ผลก็เพราะว่าถ้าไม่มีผลมันก็ไม่ไปหาหมอใช่ไหเวลาถ้าสบายก็ไม่ไปหาหมอพอเวลาไม่สบายถึงจะไปหาหมอหมอก็จะได้วิเคราะห์ดูว่าเกิดจากเหตุอันใดพวกเราถ้าไม่มีความทุกข์ก็จะไม่เข้าห า, าศาสนาพวกเราก็จะเที่ยวจะเล่นกันถ้าโลกนี้ไม่มีความทุกข์นี่ไม่ต้องมีาศาสนา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 เอาเงินทองมาทำบุญเพื่อที่จะได้หยุดความอยากเที่ยวอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วจะได้ไปรักษาศีลแล้วก็จะบำเพ็ญเจริญสติมันเป็นขั้นเป็นตอนน่ะที่ถามมานี่มันขั้นระดับปริญญาเอกพูดไปตอบไปก็ไม่เข้าใจหรือเข้าใจก็เดี๋ยวก็ลืมเพราะยังปฏิบัติไม่ได้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 ความอยากที่กล้ตัวก็คืออยากกินอยากดื่มอยากรับประทานอยากดูอยากฟังเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็อยากไม่ใช่วันนี้จะกินอาหารเช้าอะไรดีจะดื่มอะไรดีมันปรุงแต่งไปแล้วความอยากทั้งนั้นถ้าไม่เป็นความอยากก็วันนี้จะได้กินอะไรอะไรก็ได้อย่างพระนี่ไม่รู้วันนี้จะได้กินอะไรเช้าก็ไปบิณฑบาต ได้อะไรมาก็กินไปตามมีตามเกิดอันนี้แหละคือขั้นต้นเราต้องทำจากขั้นที่เราทำได้ก่อนแล้วค่อยก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากขึ้นไปตามลำดับดฉะนั้นก็ไม่อยากจะตอบปัญหาให้มันยาวไปเสียเวลาไปเปล่าๆอยากจะสอนให้มาปฏิบัติ ด, ดีกว่ารู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องม้เครื่องมือ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 พระเจ้าเห็นเลยว่าอออัญญาการกนทัญญาเธอรู้แล้วเนอะเธอรู้แล้วเนอะเธอทำใจให้หยุดความอยากได้แล้วพระเจ้าสามารถเรี้ยงญาณดูจิตภาวะจิตของของผู้อื่นได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างเครื่องม้เครื่องมือขึ้นมารับรองรับธรรมะของพระเจ้าเพราะธรรมะของพระตจ้านี้เป็นระดับสูงสุดปัญญาวิปัสนา ถ้าเป็นเรียนปัญญาวิปัสสนาโดยไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีทานนี่เรียนไปเดี๋ยวก็วิปัสสนูไปคิดแล้วก็คิดเข้าใจว่าโอ้ยเราเข้าใจแล้วเราบรรลุแล้วแต่ตันหาสักตัวนี้ไม่ได้ดับเลยยังมีเหมือนเดิมอยู่ถ้าอยากจะรู้ว่าบรรลุรือไม่ก็ลองไปทดสอบหาที่มันน่ากลัวดูหรือว่ายังกลัวอยู่เปล่าถ้ามานั่งคิดอยู่ในที่ปลอดภัยมันก็ไม่มีอะไรจะน่ากลัวเนี่ย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 ร่างกายก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บตายเหมือนเดิมแต่ใจของท่านไม่ไปทุกข์กับมันทั้งนั้นเองเพื่อนเห็นจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนตลอดเขามาขอส่วนบุญหรือเปล่าคะคนปฏิบัติอย่างไรคะก็ถามเขาสิก็มาไม่ถามเราจะไปรู้เลยคำถามจาก Facebook ค่ะคำถามแรกจากคุณวูดแมนกระผมภาวนาพุทโธพุทโธ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 ถ้าลราไปเชื่อมันอเออมาทางซ้ายก็ขับไปขยับไปทางขวาหน่อยอเดี๋ยวมันบอกมากเกินไปต้องกลับมาทางซ้ายมันก็เลยไม่ต้องทำอะไรมามืแต่ขยับร่างกาย น, นี่คือหลุมพรางของกิเลสตัณหาที่จะมาคอยทำให้ผู้ปฏิบัตินี่ตกลงไปในหลุมแล้วจะไม่เข้าไปสู่ความสงบได้งนั้นเวลานั่งนี้จะมีความรู้สึกแบบไหนไม่อยากไปสนใจ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 ทำบุญให้กับรัฐบาลเอาเงินไปเอาไปไปไปช่วยเหลือพัฒนาบ้านเมืองแล้วถ้าถูกก็เอาเงินนี้ไปทำบุญอีกนะคือจะไม่เอาเอาเงินที่ได้จากการเล่นหวยนี้มาใช้ส่วนตัวเลยคิดว่าทำบุญเราอาจจะมีวานสนาบารามีเราไม่มสามารถเอาเงินมาทำบุญได้แต่เราแทงหวยแล้วมันถูกนี่เราก็ไปแทงหวยแล้วพอถูกก็เอาเงินนี้ไปทำบุญต่อ ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไม่เป็นการเรื่องการพ น, นันเป็นการทําบุญเนี่ยแต่ถ้าพอถูกแล้วก็เอาไปเที่ยวไปกินไปเล่นนี่ยมันก็เป็นตันหาล้วเป็นกิเลสแล้มันก็ไม่ถูกมันก็ถือว่าเป็นเข้าข่ายเหมือนกับการสแสวงหาทรัพย์โดยวิธีง่ายๆคือไม่ต้องทํางานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเําเงินมาแทงเลขซึ่งท่านก็บอกว่านะส่วนใหญ่เจ้งอ่ะไม่ใช่รวยกันหรอก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 มันเกิดจากเหตุนั้นเหตุนี้ความจริงเหตุที่แท้จริงเกิดจากใจเราที่ไปทุกกับการเสื่อมการเจริญนี่เองเวลาอะไรเสื่อมเราก็จะทุกขึ้นมาเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีเกิดมีมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นด้วยปัญญามันก็จะไม่ทุกข์มันก็ไม่ต้องไปแก้ด้วยวิธีต่าง เป็นไปหาหมอดูไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนชื่อมาสามครั้งแล้วครั้งนี้ดีเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> แต้งนี้ก็ไม่เราไม่ต้องทําอะไรกินกันแนะวมานั่งเปลี่ยนชื่อกันเนะี่ยเนี่เรียกวิรพัฒน์ปารมาตไม่เป็นเหตุเป็นผลเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากไม่เสื่อมอยากให้สิ่งต่างๆอยู่ปลายจีรังถาวอ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 ก็ไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเข้าหาพระพุทธศาสนาท่านก็จะสอนเราให้โปร่งซะให้ยอมรับว่ามีเกิดก็ต้องมีดับมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมแล้วเราก็จะไม่ทุกข์จะไม่ไม่สบายใจจะเฉยๆรับกับความเสื่อมได้คำถามต่อมาจากคุณธนรีสกุลทวีรุ่งโรธคะ่ะขณะนั่งสมาธิในห้องพระเหมือนจิต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 จิตกิจชาหรือไม่เจ้าคะอไม่หรอกมันเป็นกิเลส ข, ของเรานะเนี่ยพะมันเจอศพขึ้นมากิ่นมันก็มาเลยทั้งทั้งที่บางทีศพมันไม่มีกลิ่นแอ่เรื่องของสังขารความคิดปรุงแต่งนี่สัญญาอะไรมันเคยฝังอยู่ในใจพอไปเห็นอะไรปั๊บมันก็จะทําหน้าที่ขึ้นม า, ท, าทันทีผลิตกลิ่นผลิตอะไรขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมันอย่างที่บอกให้มีสติพิจารณาด้วยปัญญาว่า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 และลมหายใจหายไปแล้วต้องทําอย่างไรต่อไปครับก็ให้รู้ไปเฉยๆสักแต่ว่ารู้ให้รู้อยู่กับถ้ามีคําบริกรรมก็บริกรรมต่อไปถ้าไม่ได้ใช้คําบริกา ร, รมแล้ลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปอยู่กับความว่างไปคําถามจากคุณ อ, อนนุช จ, จ๋าที่ฉันได้ถูกสอนมาให้ตั้งจิตอธิษฐานขอหรือแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับตนเอง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 เช่นเดียวกับมรรคผลนิพพานก็ต้องตั้งอยู่ที่การทำทานรักษาศีลภาวนาให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าตั้งแต่บัดนี้ไปจะทำทานจะรักษาศีลจะภาวนาไปจนชีวิตจะหาไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพแล้วก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าจะนั่งตรงนี้ภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุ พรุธเจ้าไม่ไนั่งขอให้บรรลุเข้าใจไพระพเจ้าภาวนาจะภาวนาไปจนกว่าจะบรรลุไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วก็ขอให้มันบรรลุขึ้นมาเองมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลในเวลาที่เราอธิษฐานนี้ตามหลักธรรมนี้แปลว่าการตั้งเป้าหมายการตั้งใจถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเราก็จะทะเละทะลาย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 มีเป้าหมายของชีวิตนะถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเราก็จะไหลไปตามเหตุการณ์ต่างๆไหลไปตามอารมณ์วันนี้ถ้าอยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็จะไปพรุ่งนี้เพื่อนมาชวนไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ก็จะไปก็จะไม่มีวันที่จะมาเข้าวัดได้แต่ถ้าเราตั้งใจว่ า, เ, าเดือนนี้ทั้งเดือนเราจะไม่ไปไหนเราจะไปอยู่วัดแล้ตั้งแล้วก็ต้องมีสัจจะมาควบคุมด้วย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 สิ่งที่เราต้องการจะทำใช้สัจจะ บ, บังคับมันไม่ให้ทะเลทลัยนะพอเราเวลาสัญญาที่พูดหวานเลยนะจะทำอย่างงุ้นทำอย่างี้ให้พอถึงเวลาขึ้นมาเปลี่ยนใจนะ <c oughs> สแสดงว่าไม่มีสัจจะคำถามจากผู้ฝากถามคะ่ะคำถามแรกในกรณีที่เราอ่านหนังสือธรรมะและชอบการอ่านออกเสียง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 มันดีเกินดีมันขึ้นมันต่อเนื่องมันไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะสงบให้เร า, างั้นถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปตั้งเวลาตั้งที่ผลก็แล้วจะนั่งจนกว่าจะสงบเลื่อนทนไม่ไหวนั่งไม่ไหวก็ค่อยเลิกไปหมดแล้วยังคำถามหนึ่งครับพระอาจารย์จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะเวลากำลังอ่านธรรมหรือปฏิบัติธรรมจะมีเสียงมากระทบบน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 มีแต่คำชมอย่างเดียวได้กิเลสของพวกเราทุกคนเนี้ไม่ชอบคําด่ากั น, นคกูบาอาจารย์จึงชอบดา่าเพื่อจะได้พวกเราแก้กิเลสกันเพราะงเพราะเวลาด่าครูบาอาจารย์นี่มันทําอะไรไม่ได้นอกจากนิ่งเฉยหรือใช้ปัญญาเมันก็จะรู้จักวิธีแก้แต่ถ้าคนอื่นดา่าปั๊บนี่มันจะสวนกลับไปไนะแต่กับคูบาอาจารย์ยังไม่กล้าเพราะความเคารพ